เขาถามดังนั้นเราก็ได้ตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันนะบัต น, นี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามี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 พอรูร้พบก็สมมุติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามภพนี่ฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะ ก, ก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวองค์จักรที่มีภายในจิตใจไม่มีในที่อื่นใด